ขอบนบข้อมองสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระรหันารกาจางกิเลส ต, ตัดสรู้ชอบได้ได้วยผมเองข อ, อนอบน้อมสถายความเคารพแด่หลวงปู่เทียนปรามอาจารย์และการเจริญสติเป็นอาจารย์ของพวกเราแล้วก็หลวงปู่คำเขียนหลวงปู่คำเขียนผู้สถาทาให้เราได้ปฏิบัติอยู่ที่นี่นะทำให้เราจูงพวกเราไปสู่ความพ้นทุกข์อาจารย์ ยุกิอาจารย์สุรินทรอ์อาจารย์จตุุ๊พระเทรานุเทระมัจิมะลาวกะแม่ชีแม่ขาอุบาสกบาสิกาผู้เจริญในธรรมทุกท่านเมื่อคืนในอาจารย์ยุกิเทศสรุปได้ในที่เล่าให้ฟังนะบอกว่าให้เข้ามาเห็นความรู้สึกตัวเขาเห็นอาการ อะไรที่มันเกิดกับใจกับกายให้ไวัยแล้วจะแก้ไขสิ่งนั้นได้แก้ไขแก้ไขความทุกข์ที่มันเกิดจากกายจากใจได้ให้เข้ามาดูไหวัยนั่นก็คือสอนให้เรามีความเพียรมีมีวิริยะมีความเพียรเข้ามาดูเข้ามารู้เข้ามาเห็นอะไรที่มันเกิดกับกายอะไรที่มันเกิดกับใจนั่นเองแล้วจะแก้ไขได้ บอกว่าท่านเปนพอใจเพื่อนเอายาฆ่ามแมลงพวกอะไรมาใส่ใน พ, พวกพวกผักอะไรนะมันพอใจมาทีทีที้ก็ดูดูตัวเองดูตัวเองดูตัวเองไปทีเนีดูตัวเองไป ใ, นะไปใจมันก็เลยสงบขึ้นนะละไม่คิดแพ่งโทษจับผิดคนอื่นใจก็เลยสงบขึ้นนะอันนี้ก็คือบัคก็ตรงกับหลวงพ่อคำเคียนนะพูดันปากว่ดู ไปดูไปรู้ไปเห็นจะเป็นผู้ดูจะเป็นผู้รู้จะเป็นผู้เห็นดูเฉยเฉยรู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยก็คือมาตรงกระัะโหลกเทียนรู้สื่อซื่รู้เฉยเฉยรู้ปกติรู้เปล่าเป่ารู้ล้วนๆรู้บมดที่สุดนี่เองเราจะแก้ไขปัญหาได้ที่แก้ไขปัญหาได้ทีนี้ไอ้สิ่งที่ดูสิ่งที่ดูที่เห็นนั้นก็ไม่มีอะไรก็เป็นธรรมะธรรมะายนามธาตุนามธรรมก็คือใจ ธรรมะใจเน่ยธรรมะจิตธรรมะใจเป็นธรรมชาติธาตุรู้เนที่สวดเมื่อกี้อาจารย์พาะสวดก็ว่าวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอาตตาวิญญาณก็คือจิตคือใจคือสติคือตัวรู้นั่นเองไม่ใช่ธัตุบุคคลตัวตนเราเขานะมุธศาสตร์บุคคลตัวคนเราเขาเป็นธาตุดูที่บนสุดมดจดอยู่อย่างนั้นเองแต่ตัวตัวโง่ตัวหลงไปยึดไปหลงยึดว่าเป็นตัวเรา ไมหลงจิตว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทีนี้เราเกิดอาการดีใจเสียใจชอบชังขึ้นมาน่ะมันจะมีตัวเราแทรกอยู่ในนั้นทุกข์เี่ยตัวตนตัวเราตัวกูแทรกอยู่ในน้ำทุกขเถียกูดีใจกูเสียใจกูไม่ชอบใจกูพอใจนั่นแหละมันเกิดตัวหลงคืออย่างนี้เกิดขึจึงฝึกว่าให้ดูตัวแรกจิตต้นตัวแรกจริงๆที่มันรู้นะมันจะรู้เฉยเฉยซื่อๆื่อก่อนนะตัวต่อมาเมื่ออาการใด มันกระทากายกับใจอาการนั้นนิ่มๆสุภาพเรียบร้อยขึ้นมามันก็เกิดการลาคะเกิดความรักเกิดโลภะเกิดความกําหนัดขึ้นมาถ้าลูกรเสียอาการอะไรที่มันกระทบใจมันเกิดยาบคายขู่ขะขึ้นมาเพชรร้อนขึ้นมามันก็เกิดตัวโกรธตัวเกลียตตัวไม่พอใจขึ้นมาก็อยากทําลายขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมทีนี้กรรมกันเพราะอะไรเขาตัวหลงเลยทีว่าหลงว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเขา แะเป็นสัตว์บุคคลตัวต้นตัวอื่นเลยนะมาทำมาทำให้ตัวนี้คือตัวกายตัวใจตัวนี้ว่าตัวเราเนี่ยเกิดนั่นขึ้นมากระทบขึ้นมามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้ก็ตัวต่อมาตัวแรกที่จุดมันเฉ่เฉยกระทบแล้วมันเฉยอยู่ให้จับให้จับต้นเหมือนกจับตัวต้นตัวเซวล์บริสุทธิ์จิตมันบริสุทธิ์จูเป็นเดิมพันธุ์แล้วประัตตะละมีทั้งจิตต่างจิตเดิมผ่องใสแต่อคติทุกากิเลสเข้ามาความโลภความโกรธความหลงเข้ามาความโมโเข้ามา กระทบขึ้นมามันจึงทําให้เกิดอาการยินดียินร้ายอาการรักอาการถังขึ้นมาหลวงพ่อเทีย น, นก็บอกว่าดีใจก็เป็นบาปเป็นทุกข์เหมือนกันเสียใจก็เป็นบาปเป็นทุกข์เหมือนกันทั้งดีใจและเสียใจหนักหัวเราะก็เป็นทุกข์เหมือนกันร้องไห้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันทีนี้ทำยังไงที่จะไม่ให้มันเป็นทุกข์นั่นก็คือเฉยไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ก็คือปกติปกตินะ ้ ป, ป, ปกติปกติเนี่ยก็คือพันิพานพันิพานคืออะไรคือใจธาตุรู้เนี่มันว่างจากกิเลสว่างจากความโลภว่างจากความหรงความโกรวความหลงว่างจากความอิจฉาพยาบาทว่างจากความเห็นยึดมั่นมาตัวตนตรงตนว่างจากตัณหาความเจยาญอยากในกาหนัดในการว่างจากความภวะตัณหาว่างจากความมีเป็นอยากมีอยากเป็นอยากเที่ยงแท้ทาอลว่างจากวิภวะตัณหาว่างจากตัวโกดตัวอยากทํำลายนั่นเอง วิปวัตต oh is ์ตัญหาคือตัวโกดเนี่ยเด็กแต่นี่ภาวะตัญหาคือตัวหลงคือตัวโมหะหลงเป็นการตัญหาก็คือตัวโลภตัวรักตัวยินดีตัวพอใจตัวอยากได้นั่นเองมันก็ไปเป็นก้นเหตุของราคะโทสะโมหะเป็นต้นตูนต้นตระกูลต้นเหตุของให้เกิดเกิดขึ้นมาก็คือตัวโง่นั่นเองตัวหลงนั่นเองคือตัวไม่รู้จริงตาที่มันเป็นจริงทีนี้ให้เรามารู้จริงต่างที่มันเป็นจริงเสียกระทบปั๊บก็เช่นนั้นเองนะเช่นนั้นก็เช่นไหน ไม่เที่ยงก็คือเช่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนยากก็คือเป็นทุกข์ทนยากเห็นไหมทีนี้มันแปรปวนมันแปรปวนรุนแรงมันไม่คงที่ก็ไม่ควรตามเห็นว่าเป็นตัวเราของเราควรตามเห็นว่าเป็นอะไรตามเห็นว่าเป็นธรรมะอนิจจังเป็นธรรมะทุกขังเป็นธรรมะอนิตาเป็นธรรมธาตุเป็นเช่นนั้นเองพุทธท่าสรุปว่าให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นเองตาตาเป็นเช่นนั่นเองตาคต ตถาคตก็คือพูไปแล้วอย่างนั้นไปอย่างนั้นเนี่ยไปอย่างไม่มีทุกข์ไปอย่างปกติไปแล้วอย่างนั้นมาแล้วอย่างนั้นไปแล้วอย่างนั้นมาแล้วอย่างนั้นประภตถาค ต, ตไปแบบไม่มีทุกข์ทางใจมาไม่มีทุกข์ทางใจแต่ทุกข์ทางกายมันจะเกิดขึ้นกับเรื่องของมันพเพราะเรื่องของอเรื่องของกายเรื่องของรูปนี่ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปมันดับเด็ดขาดไม่ได้มันมีแต่ระงับแล้บรรเทาในชั่วครั้งชั่วคราวเฉย มันกัดทุกสารกายก็หิวข้าวเนี่ยหิวข้าวเสืหิวหิวหิวทีนี้เราไปดูเฉยๆมันไม่หายเห็นไหมันต้องเอาเอาลูกมามาบําบัดรูปขึ้เนีน่ยรูปก็คือก็ร่างกายกับเพาะอาหารเป็นรูปอยู่เนี่ยมันหิวขึ้นมาก็จะไปทุกขึ้นมาก็เอารูปอาหารขึ้นมาใส่บําบัดให้มันเอาใส่เข้าไปมันก็หายเห็นไหมทีนี้พอมันถ้าเรานึกะนะกินข้าวกินข้าวกินข้าวนึกคิดอยู่อย่างนั้นนึกจนตายก็ไม่หายหิว เพราะมันเป็นเรื่องที่บําบัดไม่ได้ด้วยวัตถุต้องเอาวัตถุบําบัดรูปต้องเอารูปบําบัดแี่นี้ทีนเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยก็ต้องเอารูปบําบัดไม่ได้น่าต้องเอานาำบำบัญญัติเอาตัวสติเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นเอาตัวรู้ตัวดูเข้าไปเห็นเนี่ยทีนี้พอรู้พอดูไปเห็นเสร็จแล้วไอ้ตัวที่ตัวกิเลสตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวโง่ตัวหลงเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะว่าตัวจิตตัวใจธาตุรู้เนี่ยมันทําหน้าที่ได้อย่างเดียว ทำมันทําหน้าที่โกดโรคโกยงมันก็กดเนี่ยเปลี่ยนไมเนี่ยปลี่ยนมาเป็นหน้าที่ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นน่ะหลงเข้าเขียนเปลี่ยนเปลี่ยนให้ไหวทุกเปลี่ยนเป็นไม่ทุกเนะโกดเปลี่ยนเป็นไม่โกดโรคเปลี่ยนเป็นไม่โรคหลงเป็นไม่หลงที่คําว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นคําพูดเป็นความคิดอยู่เนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวที่เข้าไปดูเข้าไปรู้เขาไปเห็นทั่นคือสติสัพจัญญาความรู้สตัวเข้าไปรู้เข้าไปเห็น่ตัวนั้นน่ะมันไม่มีคําพูดอยู่ในนี้เข มันเป็นพูดให้ฟังให้เข้าใจแต่วิธีทํานั่นก็คือเราก็ต้องมาฝึกฝึกตัวรู้ให้คล่องแคล่วว่องไวขึ้นไวอะไรที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจอาการใดเกิดขึ้นอาการใดตั้งอยู่อาการใดดับไปเราก็เลยนเเห็นเห็นพันอันนีน้จังเห็นทุกขงังเห็นอนัตตาเห็นเห็นเห็นไตรลักษณ์นะมันก็เห็นธรรมะนะเห็นแม้แต่ความโกรธความโลภความหลงความไม่ดีมันเกิดขึ้นก็ดูมันเข้าไปดูแบบปภาพมันหายไปอ๋อันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเนี่ยก็มีดวงตาเห็นธรรมพระอัญญากุลอนญ่พระเจ้าแสดงทุกสมุทัยในโลกมาทุกกับสมุทัยเป็นตัวเกิดเป็นตัวเกิดทุกในโรกกับมาร์กเป็นตัวดับเลยนะทุกและการดับทุกเคลื่อนอ๋อมันมีเกิดมันก็มีดับเนีเข้าใจธรรมะอะไรที่ะโอ้มต้องตาเห็นธรรมอัญ่าสิปตะโภคุณตัญโยอญญากุลอญญ่ารู้แล้วหนอแล้วหนอก็คือรู้ธรรมะอะนี่รู้วิธีออกจากทุกนั่นเอง รูปีชปล่อยวางทุกเนี่ยปล่อยวางกิเลสนั่นเองรูปโอเสียงว่าตัดขาดต่อไม่ติดก็คือปล่อยวางดูดพ้นนั่นเองคําเดียวกันคือบรรลุพันิพาณนั่นเองแต่บรรลุชั่วขณะก็มีแต่ทางคานิพานเนี่ยคานิการิพานเนี่ยชั่วขณะชั่วขณะพวกเราเนี่เป็นพวกชั่วขณะเฉยขนาดที่ฟังอยู่นี้จิตไม่มีโลคไม่มีโกรธไม่มีหลงฟังซื่อฟังเฉยฟังเปล่าแล้วก็ไปฟังใจไปดูใจไปรู้ใจว่าใจมันเฉยเฉยอยู่ปกติอยู่นะปกติอยู่นั้นแหละนะ อันน si ี้ก uh. ็เรียกว่าได้บรรลุพระนิพพานชั down, ่วขณะชั oh, ่วขณะชั hmm. ่วขณะชั like ่วขณะที mm ่ใจปกติอยู่ใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกข์นะใจซื่อใจเฉยใจเปล่าใจบริสุทธิ์อยู่เข้าไปเจอต้นต่อของใจต้นต่อก็เดียยวประพัฒน์ละไม่ทางจิตต่างจิตเดิมแพ้ของใสบริสุทธิ์เลยนะไม่มีทุกข์เกี่ยวปนไม่มีกิเลเจี่ปนอยู่นี่ก็ไปเห็นชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ไม่กําหนดดินที่พรุ่นี้จะรู้อย่างนั้นไม่ใช่ ต้องดูที่นี่ดูเดี่ยวนี้ขณะ น, นี้รูปปัจจุบันเลยอดีตผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจะรู้ได้ยังไงแต่เป็นการเดาเฉยเป็นความนึกคิดเฉยเป็นมโนภาพเป็นทำอารมณ์เข้ามากระทบเฉยไม่เป็นแบบมันจริงแบบไม่จริงอมันจริงแบบของไม่จริงอย่างจริงจริงของจริงเออจริงแบบเที่ยงน่ยมันไม่เที่ยงให้ดูมันเป็นทุกข์ทอนยากให้ดูนะมันอนัตตามันแปรปรวนรวนเละไม่คงที่ไม่ทั้งมั่นไม่เป็นตัวตนแท้แท้ทั้ววันให้ดู ก็เข้ามาดูเข้ามารู้เข้ามาเห็นให้กระทบรู้สึกนะกระทบเห็นไม่ใช่คิดเห็นนึกเห็นคิดเห็นนั้นไม่ใช่เป็นตัวเดาทีนี้ให้กระทบเห็นพบเห็นผัสสะเห็นอ้นี่ให้รู้เข้ามาจริงจริอย่างนี้ก็เรียกลู้ของจริงนี่ก็เรียกสัมมัชิติเข้าไปรู้จริงของจริงอย่างนี้สมมิทฐานิติก็รู้ปลอมรู้นึกรู้คิดรู้ปรุงรู้เดาออกอย่างเง้ยมิทฐาทิติก็เห็นว่ากายกับใจเนี่ยเป็นมีในโลกนี้ ในจักรวาลนี่มีของจริงอยู่3อย่างกันหนึ่งจริงรูป2จริงนาม3จริงพันิพาณจริงพันิพาณจริงของรูปกับนามนี่ก็จริงแบบไหนจริงแบบอนิจจ์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจริงแบบทุกขังทนยากทนลำบากทนไม่ได้จริงแบบอนัตตาแปรปวนรุนเรงอยู่เสมอบังคับไม่ได้ว่าไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจปัฏฐานนี่มันจริงอย่างนี้รูปกับนามมันจริงอย่างนี้แต่พันิพานนั้นไม่ปรากฏประการเกิดมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ปรากฏการดับเป็นอนันตการอยู่ เป็นอนันตการอยู่อย่างนั้นเช่นนั้นเองเดี๋ยวนี้ก็ยังความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเนี่ยมีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีความไม่หลงอยู่เป็นอนันตการเลยเป็นอนันตการที๋นี้ไอตัวโลภตัวกรตตัวลมันเข้ามาบังเฉยเฉยมันพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างจ้าอยู่เสมอเมฆบอกบเข้ามาบังแล้วก็หาพระอาทิตย์ดับไม่ใช่มันแจ้งแจ้งจังป่างอยู่อย่างนั้นนะเมฆบอกมันเข้ามาบังไอติยเนื้กลัดจิตใจเรามันแจ้งสว่างอยู่เสมอมันไม่มีทุกข์เจี้ยปนอยู่เสมอ แต่ว่าตัวพิเ ร, รดลบโคตรลงเนี่ยตัวนึกคิดปรุงแต่งมาเข้ามาบางังแล้วก็มองไปเห็นปก็าหาว่าจิตนี่นั่นเป็นอย่า ง, างนั้นไปเป็นอย่างนี้ไปที่จริงมันปกติอยู่ยังงั้น จ, จึงเข้าให้เราฝึกตัวธาตุรู้ตัวไวไเนี่ยตัวสติเนี่ยให้ไม่รู้ไวๆอะไรมันเกิดขึ้นที่ใจก็รู้ไวไวอะไรที่เกิดขึ้นที่กายก็รู้ไวไวอาการเกิดขึ้นนี่หลวงพ่อเขียนเขาเขียนวเรียกว่าอาการนะถ้าบอกว่าเขากินทานข้าวอยู่มันมีอาการวางั้นอาการของร่างกายเนี่ย จับก่อนข้าวจับอาการ Marvin. เป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ใส่ปากก็เคี้ยวแล้วก็เกิดไปเป็นอาการแบบนั้นเป็นอาการเป็นอาการเคี้ยวเป็นอาการเกินเป็นอาการอะไรไม่มีตัวดีใจเสียใจตัวรักตัวชังตัวยินดียินร้ายเข้าไปแทรกแซงอยู่ในอาการนั้นเลยตรงนัน้นนี่เป็นอาการเฉยๆอาการทางใจกับอาการอาการทางใจแ้วก็อาการรู้สึกนะรู้สึกรู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกเบาๆรู้สึกไม่มี ไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความเย็นดีไม่มีความเย็นราไม่ไ ม, มีตัวโกรธตัวกลัวตัวตุ้มตัวสัตตัวอะไรเตี้ยปนอยู่เลยท่านบอกวาอากาศซื่อๆ อ, อาการเฉยๆอยู <c oughs> อาา่อาการทั้งใจตัวรู้เน่ยอาการรู้เนี่ยรู้เฉยๆรู้เปล่ปาๆอยู่เมื่อท่านจะดับจิตลงไปหายใจไม่เข้าสามขั้นใจเฉยอยูนะ่เห็นอาการอาการหายใจคืออาการของรูปนะ่ะรูปมันไม่เที่ยงรูปลมหายใจเข้าหายใจออกนะมันมันผิดปกตินะมันไม่เข้ามันไม่ออก มันปกติไม่เข้ามันก็คือไม่ออกนะไงก็อาการของรูปมั น, ม, นมันตายมันดับไปทีนี้ครับดูอาการใจอาการใจก็เฉยในชะ่ไหมซื่อๆจะเฉยอยู่ก็เลยไม่มีทุกเกิดขึ้นนะพอดับปุ๊บลงไปก็เฉยพอฟื้นขึ้นมาก็เฉยอยู่นะรู้ขึ้นมาก็รู้รู้สื่อๆรู้เฉยๆรู้เปล่าเปล่เลยไม่มีดีใจไม่มีเสียใจไม่มีคุ้มไม่มีอะไรขึ้นมาในใจ น, ะนั่นแหละใจปกติปกตินั่นก็คือไปไปแบบพันนิพานไปแบบความวางทุก แบบไม่มีทุกข์ทีนี้พานี่พานางปรมังสุขังนี่พานสุขอย่างยิ่งไอ้สุขตัวนี้มันสุขที่เหนือสุขนะมันสุขที่เหนือสุขสุขที่พ้นไปจากสุขแล้วนะสุขที่ว่างสุขอยู่นั่นแหละก็เรียกสุขอย่างยิ่งก็เรียกสุขอย่างยิ่งก็เรียกสุขสูงสุดก็แบบสุขอย่างยิ่งสุขถึงที่สุดจบแล้วจบสุขแล้วจบทุกข์แล้วไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เจรินอยู่ในนั้นแล้วเปิดว่างๆอยู่นั่นแหละก็เรียกว่าเขาพูดว่าเพื่อจะให้คนที่ ยังมีอุปท า, านมีความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนอยู่นะยังยังติดพวกนี้อยู่ก็เรียกว่านิพานเป็นสุขสูงสุดเพื่อจะได้ดึงดูดใจิตใจคนที่ยังติดติดอารมณ์อยู่เนี่ยให้ให้เข้าสู่พระนิพานนั่นเองเป็นพิธีล่อลเป็นพิธีจูงนะเป็นพิธีชักนำนั่นเองทีนี้พระเจ้าบัญญัติว่าความเกิดคนเกิดขึ้น่คนแก่คนเจ็บคนตายถ้าเพราะคนที่ยังโง่มีอุปท า, านอยู่แค่นั้นอุปาทานขู่วาหัง อะไรขุปัสสอุปิังอุปอุปติงปัญญาเปเมฆอุปาทาอุปาทานะขุวาหังอุปติงปัญญาเปเมฆภาษาบาีเราสถาคตพระพุทธเจ้าบัญญัติความเกิดว่ามีตัวตนคนเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่ยังโง่ยังมีอุปทานอยู่แค่นั้นเองแต่พูดกับพันละหันเราไม่มีละไม่มีคนเกิดไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตาย มีแต่รูปนามเท่านั้นเกิดขึ้นรูปนามเท่านั้นตั้งอยู่รูปนามเท่านั้นดับไปมีแต่ธรรมะรูปธรรมะนามธรรมะธาตุนามธาตุเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแต่ธรรมะล้วนๆเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอตัวโยตุแทรกอยู่ในนั้นเลยแต่ว่าพวกเราโง่จะมีอุทานก็ไปยึดเอาความแก่ความเจ็บความตายความดีใจความทุกข์ไปยึดเอาใกล้กับใจว่าเป็นตัวตนตัวเราของเรานี่ละสักการะท้ที่ฉีไม่ได้ ลาความเห็นแก่ตัวไม่ได้ที่ภาสำบัตราชบัญจะเข้ากระแสปฏญบาติต้องลาสักกายะทิฐิความเห็นว่ากายกับใจว่าตัวเป็นตนให้ได้ว่าตัวเป็ให้ได้ทีนี้เราก็ฝึกเกันสิฝึกสัญญาความจําสัญชาตญาณ่จะไปพอได้เจอเห็นใครเดินผ่านสวนมาโอ้ลูบน้าพูดกับใจใจพูดกับใจใจคิดใจใจสอนใจอยู่อย่างนี้ทีนี้เราไม่สอนตัวเองแค่ไนคนนั้นคนนี้นะคนแก่คนนมคนสาวคนเท่าป้าไปทั่วเลย คนดีคนชั่วคนผิดคนถูกคนสวยคนงามคนเคเรไปหมดเลยนั่นไม่ได้หรอกเขาลูกน้ำ<อ>ลูกน้ำทานมาทีเนี้ยทีเราจะพูดกันก็พูดตามสมมุติก่อคุณไปไหนมาคุณยา่าคุณตาคุณถูกคุณยายไปไหนมานั่นก็พูดแบบสมมติที่สุภาพนะสมมุติที่หยาบขายกูมึงเฮียผี Darling, ไปอย่างนั้นไม่ใช่ไหมทีนี้ว่าแต่สมมตินั้นไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นคําว่าเสียงนี่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายก็ไม่มี เ, เขาเรียกสมมติจากสิ่งที่ไม่มีว่าเป็นมีขึ้นมาผู้หญิงก็มีผู้ชายก็ไม่มีคนสัตว์ก็ไม่มีนะแต่ว่าเสียงมีเสียงที่พูดเนี่ยเสียงคือรูปเนี่ยณนะโมตัศสะเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปณดับไปแล้วโมเกิดก็กรดับไปตัศนะเกิดก็แล้วก็ดับไปเสียงรูปเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ยนะแต่ตไปให้เห็นเฉพาะหน้าที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ขนาดนี้แล้วไอ้ตัวนามไอ้ตัวรูมันก็นดับไปพร้อมกันนั่นแหละแต่ตัวตัวนามธาตุรูน่ะบระเอียด มันเกิดดับแล้วแทบจะมองไม่เห็นเลยทีนี้เราก็เอาเราก็เอาเอาความรู้มามากระทบที่ทาดรูปเสียงท่านรูปเสียงมันเรือดับโ อ, อ้น้ำก็กระดับไปด้วยนะเห็นะไหมเมื่อกี้รู้เสียงเกาแกะแกะบนหลังคาหลังคาแกะแกะแกๆแ ก, แกะไงนะทีนี้มาฟังมาฟังเสียงของพ่อพูดเทศอยู่นี่กันเสียงนั้นก็ดับไปแล้วนะไอ้ตัวรู้นั้นกรดับไปด้วยมันมารู้ตัวนี้กับมารู้ตัวที่พูดอยู่นี้เห็นไหม มันก็ดับไปดับมาดับไปดับมาเกิดขึ้นต um, um. ั้งอยู mm. ago, ่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เรียกว่าทุกทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนางวิริราเสรีทิพษุนีบวชตั้งแต่เป็นสาวแต่ฝังถามพระเจ้าแค่นี้สําเร็จพารหนเลยพวกเลยโอ้มันอาการอาการธรรมะธรรมะที่เรียกว่าทุกเนี่ยสมมติเร่องทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปไม่ใช่ตัวเราเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราตั้งอยู่ไม่ใช่ตัวเราดัััับไไปม่่้้ใชิฉนขาาพเจตตววคอย ตัวต้น ต, ตัวกูเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปที <the> <world> <anges> ่ไหนเนียมันเป็นธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นธรรมะเท่านั้นตั้งอยู่ธรรมะดันธรรมะสังขารธรรมะปุงแต่งเกิดขึ้นอย่างเนี้ยให้เราเข้าใจอย่างนี้นี่เราไม่เคยสอนตัวเองนะเพือเพื <ed grown> <anyway> ่อว่าไม่สอนตัวเองไม่เตือนตัวเองสติไม่ค่องว่าไม่คล่องวงไว่เปลี่ยนสัญญาความจําจากสัญชาตญาณมาเป็นปัญญาสัญญาแบบปัญญาเสียสัญญาแบบรู้ทันสัญญาเป็นสมาธิิเสียเห็นคนเดินไปเดินมาเนี่ก็อ๋อ รูปนามเคลื่อนไหวเนาะรูปนาเคลื่อนไหวนะทีนี้ก็อยากจะรู้สมมุติขึ้นไปก็จาชื่อไม่ได้เขาถามหลวงพ่อหลวงพ่อลูจักโยมไหมหลวงพ่อไม่เคยรู้จักชื่ออะไรเจนะรู้รู้ยังไงรู้ว่ารูปนาแค่นี้รูปนามเขาบอกทักเลยนยรู้หมหลวงพ่อูจักมาก็จะรู้ได้จากไหนอยู่กับอาจารย์จันตามากคนเป็นเป็นหมื่นพันๆละเทศเขาปกาศที่หลวงพ่อต้องสู้ขึ้นเทศเมื่ออาจารย์สุเรนพูดหลวงพ่อสู้เทศนั่นเีย เขาเอาู้ลู่วันนี้ห้วงองสุเสียร้อยตาพันตาหมื่นตาเขาบอกหรอจริงเราตาสองตามองคนบื่นไม่รู้ว่ใครเป็นใครนะีริงเขามาถามว่าหลวงพ่อรู้จักโยมไหมรูปลูกนะรูปนามเขว่าไงรูปนามสมมติที่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ก็ว่าไปสามเรื่องมาตั้สมมติมารููไงนี่รูปสมมติถ้ารูปลูกนามเนี่ยกัรูปปันลมัดไปเข้าใจไหมโอรูปนามเดินรูปนามรูปนามเจนนี่รูป รู้พ่อเขาเขียนมาไม่รู้ว่าต้องรู้ว่าไม่รู้เนี่ยลืมก็รู้ว่าลืมเนี่ยรู้ให้หมดมานั่นแหละไอ้ตัวรู้ให้หมดนี่แหละเรียกว่าตัวสติและสัพพัญญะพระอรหันต์มีตัวรู้ที่ยิบเลยไม่ขาดวักไม่ขาดสอนเลยจึงไอ้ตัวหลงไม่เข้ามาไม่ได้ตัวกิเลสเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้รู้หมดเลยอะไรจะเกิดขึ้นปั๊บรู้รู้รู้รู้ทนี้ไอ้ตัวรู้มันรู้ซื่อๆรู้เฉยๆก็รู้แบบพ่านในพ่านรู้แบบวางทุกเข้าใจไหม รู้แบบไม่มีทุกข์เกี่ยวปนรู้แบบไม่นึกรู้แบบไม่คิดใช่ไหมรู้ไปเลยทันที่ทันใดรู้รู้รู้หมดเลยอะอาการใดเกิดขึ้นกับกายอาการใดเกิดขึ้นกับจิตใจก็รู้สะเกียรหมดเลยนี่รู้ก็รู้สื่อๆรู้เฉยๆก็รู้แบบผันใพผันรู้แบบไม่มีจิตุงแต่งรู้แบบว่างทุกข์รู้แบบไม่มีทุกข์รู้แบบไม่เดือดร้อนรู้แบบไม่มีปัญหาอะไรรู้แบบไม่มีสงสัยอะไรรู้แบบไม่มีโกรธไม่มีกลัวไม่ปสะดุ้งอะไรท่าสังเกตเลยยอมยกมือขึ้นมาเนี่ยยกขึ้นมานะ่ มีั้ยตัวกวดมีไหมตัวโลคมีไหมตัวลมมีไหมไม่มีอ่ะตัวอิจฉาพยาบาทมีไหมตัวกวดตัวกวดตัวคุ้มมีไหมตัวกูตัวมึงมีไหมตัวผู้ตัวเมียตัวผู้หญิงผู้ชายมีไหมไม่มีเลยอ่ไม่มีเลยรู้สึกซื่อเฉยๆนะแม้ที่นี้ไอตัวโง่มันรู้สึกซื่อจะได้อะไรวะเนี่ยไอตัวโห่ไอตัวอยากตัหามันแทรกเข้ามาแลยเข้าใจไมก็มันเป็นธรรมะอยู่แล้วตัวรู้มันทาหน้าที่ธรรมะตัวท่านรู้อยู่แล้วที่นว่าถก ธรรมะที่เป็นก้อนเป็นแท่งอยู่มัก็เป็นเคลื่อนไหวอยู่ก็รู้อยู่แค่นี้นี่ก็รู้ธรรมะอยู่ก็ใจไหมรู้ปุธรรมะที่ไม่มีกิเลสไม่โงโ่ไม่มีโลโงเจี๊ยบปนอยู่เลยรู้สซื่ อ, อรู้เฉยๆรู้เปล่าๆรู้ล้วน ๆ, ๆรู้ว่างๆรู้ที่บริสุทธิ์รู้ปกติอยู่เนี้ยนั่นแหนะก็รู้แบบพรันริพ่านแต่ว่าเราไปขัดาทางขัดนิพ่านช่วขณะช่วงวินาทีเดียวช่วขณะหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีแค่นี้เราไม่ตลอดหลอดฟังแต่พระอรหันต์ตลอดหลอดฟังเลยก็จะนี่เกิก็ดีละ ก็ได้ว่าแกงหม้อหนึ่งหม้อใหญ่ที่โยบหามสองคนะกินได้ทิ่ตั้งเป็นลร้อยคน่ะเราได้ชิมด้วยคำคำหนึง่งช้อนหนึ่งก็ยังดีแนละ้วโอ้แกงเป็นรถอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันรถพนันธุ์่านคือรถที่ว่างว่างจากทุกว่างจากสุขว่างจากดีว่างวันละว่างจากร้องไห้ไอตัว ว, าว่างๆตัวเราดังนั่งว่างๆอ่างนี่ยนะไม่ทําอะไรเฉยๆมันสบายไหมละ่ะถ้าแบกของหนักของมันก็หนักมันก็ทุกข์ใช่ไหมอันนี้ก็เหมันกันจิตใจกับมันกันจิตใจไม่ยึดถืออะไรจิตใจว่างๆ ใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นมันติดมันแบกรบแบกโกรธแบกลงแบกกิเยดอยู่มันก็นกหนักเงี้สก็ต้องปล่อยวางอาการปล่อยวางคืออาการหลุดพ้นอาการอิสระนี่กันกระทบปัดเฉยยพวกนี้พวกเราเป็นพวกกระทบเนาะเหมือนเอาดินโคดปากับป่ากระแพงป่าปั๊บติดปุ๊บเนี่ทีนี้พระอรหันต์เนี่ยเหมือนเอาฟุตบอลป่าป้งก็งเด่นไม่ติดเลยเอา ความไปเป็นติดอารมณ์กระทบแล้วก็ผ่านไปกระทบแล้วก็ผ eh? uh, ่านไปกระทบแล้วก็ผ่านไปพวกเราก็ระทบติดกระทบติดกระทบติดกระทบแล้วฉุนโมโหชุนเฉียวไปกระทบเราวรักกอดแน่นเข้าไปกอดไว้ก็ดึงเข้าไปก็มันก็หนักเหมือนกันดันออกไปกระแทกออกไปมันก็หนักมันก็เหนื่อยเหมือนกันเข้าใจไหมนี่ไม่ดึงไม่ดันไม่เกาะไม่กอดไม่กุมอเลยไม่กระแทกมาแดกดันขึ้นมาก็เฉยเฉยไม่ทุกข์เลไม่ติดอารมณ์ไม่หลงอารมณ์นุ๊กปฏิเดธวกตัดขาดน ตอบไม่ติดเนี่ยหลัดขาดเราไม่ติดก็คือใจเนี่ยมันไม่ติดอารมณ์อารมณ์สุขขนาดไหนมันก็ไม่ติดอารมณ์โกลขนาดไหนก็ไม่ติดดีขนาดไหนก็ไม่ติดชั่วขนาดไหนก็ไม่ติดสรรเสริญไม่ติดลินท้าไม่ติดติชมไม่ติดอะไรหลวงพ่อขับเขียนบว่าแก่แตกแล้วองี้ยเราแก่แตกแล้วเงี้ยเฮ้ยพูดคำแรกกันอย่าบ้าอย่าบ้าอย่าบ้าเงี้ยพอพูดคําลังอ่ะเออใช้ได้ต่อไปเนี่มาช่วยผมสอนธรรมะหน่อยทำไมแสดงว่า จิตใจเนี่ยมันตัดขาดจากอารมณ์ตัดขาดจากความสุขตัดขาดจากความรุกข์ตัดขาดจากความดีความชั่วเนี่ยมันมันอยู่เหนือหมดเลยมันต่อไม่ติดเยเนี่ยก็จิตอิสระจิตหลุดพ้นจากทุกหลุดพ้นจากสัญหาหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองไม่เป็นอะไรคำว่าไม่เป็นอะไรของพอกคำเขียนก็คือนั่นแหละเป็นความว่างจากกิเลสว่างจากทุกเป็นความหลุดพ้นทุกโดยประการทั้งปวงเนี่ยไม่เป็นอะไรพวกเรายังเป็นอะไรอยู่ะ ยังเป็นยังติดอยู่ยังเป็นผู้สุขจะเป็นผู้ทุกข์ยังเป็นผู้ยินดีจะเป็นผู้ยินร้ายยังเป็นผู้หญิงยังเป็นผู้ชายยังเป็นคนแก่คนหนุ่มคนสาวคนเท่าอยู่นะยังเป็นคนบ้านนั้นบ้านนี้อยู่เนี่ยยังติดอยู่ยังติดสมมติมุดเข้าไปอยู่ในสมมติอยู่ไม่หยุดพ้นทีเราต้องสังเกตตัวเราทีนีเราติดเราติดอะไรเราก็รู้เองใช่ไหมเราพ้นอะไรเราก็รู้เองใช่ไหมต้องไปถามคนนั้นคนนี้ได้ยังไงเราแบกของหนักมาตึกตึก็รู้ว่านักวางลงก็รู้เบา ก็รู้อยู่แล้วกินข้าวอิ่มก็รู้ว่าอิ่มแล้วมันหิวก็รู้ว่าหิวอยู่เลยไม่ต้องมาถามใครใครนะนี่ก็ฝึกตัวเองก็ดูตัวเองให้มาดูที่กายดูที <most people> <Jonah> ่ใจเนี่ยตัวเองก็ไม่ใช่ตัวเองหลวงพ่อชาทติพูดว่ารู้จักตัวตนที่แท้จริงคือรู้ว่าตัวตนไม่ใช่ตัวตนนั่นคือรู้จักตัวตนที่แท้จริงรู้กับกายกับใจแล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูนั่นคือรู้ตัวกูที่แท้จริงรู้รู้แบบรู้แบบว่ามันไม่เป็นอะไรนะรู้แบบหลวงพ่อกำเขียนนี่ไม่เป็นอะไร เป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างที่มันเป็นะมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเองเราไม่ติไม่ชมนะไม่รักไม่ช้ำไม่กดไม่อะไรมไม่สะดุ้งไม่หวั่นเสียวกับมันไม่กลัวไม่กลุ้มกับมันะเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเฉยเป็นลมพัดก็คืออย่างนั้นหนาวคือหนาวร้อนคือร้อนเฉยแล้วก็ดูที่ข้าตัวรู้แล้วก็ดูตัวรู้อีกทีนะดูตัวรู้เข้าไปอีกทีนึ่าตัวรู้มันเฉยไหมรู้ซื่อหรือเฉยหรือเปล่าไม่ใช่โยมมาถามว่ารู้จิตในจิตก็คืออยู่ จิตตัวในตัวกลางอ่ะก็คือตัวซื่อเฉยเฉนะไอ้ตัวที่มันปนมาแทรกเข้ามากับตัวโรคตัวโกรธตัวหลงตัวรักตัวชังเนี่ยมันเป็นจิตนอกจิตจิตห่มจิตจิตห่อจิตอยู่ข้าใจไหมนะตัวห่อหุ้มจิตเดียวเท่านัีนี้จิตในจิตจิตเป็นกลางจิตศูนย์กลางนั่นก็คือเฉยเฉไม่มีลบไม่มีบวกไม่มีได้ไม่มีเสียเลยซื่อเฉยเฉยนะก็เห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็น เห็นเวทนาในเวทนาเวทนาเฉยๆอสุขขมสุขขมเวทนาเวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกันกันเดืออสุขเนื้อทุกันเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาแล้วก็เห็นธรรมในธรรมเห็นกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมธรรมก็คือธรรมอารมณ์อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยธรรมอารมณ์คืออะไรก็ทำเลยโยมลองนึกถึง พอถึงแม่หรือถึงเงินถึงทองอาวิธิบานเอาซ่อนมาสังเระเก็บมาสังเระนั่นแหละนึกขึ้นมาไอ้ตัวนั้นก็เรียกทำมาลงเข้ามารู้ในใจความคิดปรุงแต่งอะไรต่างก็ทํามาลงเนี้่ยก็เรียกมากระทบใจกระทบใจในใจก็ทีดึงอะไงถ้าเรื่องนั้นเรื่องดีกเกิดเก้ดใจนี้ก็พลอยหลงดีตามไปด้วยถ้าจะเรื่องนั้นเรื่องไม่ดีใจก็หลงไม่ดีหลงติหลงเตียนหลงจากทําลายไปด้วยเข้าใจนั่นแหละตัวนึกตัวคิดมันปรุงแต่งอย่างนี้จึงควบคุมให้มันแต่ทีนี้ถ้า ผู้มีสติปัญญาเด็ดขาดเรียบร้อยดีแล้วนะมันจะนึกจะคิดอะไรมันก็นึกคิดด้วยชนิดที่ว่าไม่มีกิเลสเจี๊ยวปนไม่มีความโลภความโกรธความหลักเจี๊ยวปนอยู่ในนั้นนะมันคิดแบบว่าแค่ขวัญจะช่วยหลือผู้อื่นลุงพ่อเทียนลุงพ่อเทียนลุงปู่เทียนดีเมตตายอย่างแรงกล้าใช่ไหมมันจะตายป่วยจะตายก็ยังเมตตาสั่งสอนคนอื่นไม่ใช่ต้องปัญญาปัญญาญาณพาธรรมเหมนไม่ใช่เมตตาพาธรรมกะตูม ตัวเมตตาตัวสติตัวสัญญาเนี่ยพาธรรมก็คือก็คือการุณาเมตตาเองแต่ว่าท่านไม่พูดท่านพรกที่สูงรนะปัญญามัว่าปัญญาว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรสิ่งนี้ควรควรควรคืออะไควรคือควรทําให้พ้นทุกข์ควรสอนให้พ้นทุกข์เลยควรสอนให้พ้นทุกข์เลยพระเจ้าสอนสองอย่างแค่นั้นเองที่เราเรื่องนรกสวรรค์เรื่องอะไรต่างๆเรื่องสมมติยังไง เรื่องเทพดาอินพรมเรื่องว่าไปเกิดชนั้หน้าเราทําดีจะไปเกิดดีเกิดเกท่านอันนั้นสอนเพื่อเป็นแนวจูงใจเฉยสอนจริงจริงคือสอนทุกได้ดับทุกอย่างเราให้ทานเนี่ยเรามีของมากเยอะแยะลันฮวงเนี่ยมันทุกเลยใช่ไหมทีนี้คนอื่นไม่มีขาดแคลมันก็ทุกเลยใช่ไหมให้ทานไปก็ดับทุกนั่นเดับทุกให้แก่ตัวเองดับทุกความห่วงแหนความแบกไว้ก็ยึดไว้ดับทุกให้แก่น ค, นคนอื่นคนอื่นมันจนมันไม่มีชัยก็ดับให้มัน ให้ทานก็ช่วยดับทุกข์ไงรักษาศีลก็ช่วยดับทุกข์ไงค่าเขามันทุกข์ใช่ไหมรักของเขามันทุกข์ใช่ไหมผิดลูกเบี้ยมันทุกข okay ์ใช่ไหมเห็นไหมโกหกมันทุกข์ใช่ไหมกินเหล้าเมายามันก็ทุกข์ใช่ไหมที่ไม่ก็ไม่ทําอะก็หมดก็ดับทุกข์เงตัวเองแล้วก็ดับทุกข์ให้คนอื่นด้วยเห็นไหดับช um ่วยบรรเทาทุกข์ให้คนอื่นด้วยดับดับทุกข์ตัวเองที่ว่าดับทุกข์คนอื่นคนอื่นด้วยเราเป็นคนอื่นของคนอื่นด้วยคนอื่นดับทุกข ไปคนอื่นนั่นถ้าคนอื่นมีสติปัญญาก็พอใดับทุกข์ไปด้วยถ้าคนอื่นไมีสติปัญญาก็เพิ่มเพิ่มโง่ <ๆ S 2> เพิ่มทุกให้ด้วย <ๆ S 2> เพิ่มโง่เพิ่มทุกข์ใไปทีนี้กำลังกันหน้าที่กันแล้วกันให้ใจมันนึกคิดไปหลายอารมณ์ให้มันอยู่อารมณ์เดียวมันก็ไม่ทุกข์เลยนี่ตัวปัญญาก็ไปเห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่กับใจเป็นอนิจจังทุกขังกัสตาอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ตัวกูของกูอะไรขึ้นนนมมมาาาาาากกกก็็็็ปปปลล่่่่่่อออยยยววววงงงงไีีทุเห้ ทุก ส, สิ่งทุกอย่างทําเพื่อจะพูดก็ดีจะคิดก็ดีจะทำก็ดีก็เพื่อดับทุกข์ให้แต่ให้กายกับใจในพิพนทุกข์อย่างให้กายใจคนอื่นพ้นทุกข์ให้รูปนามอื่นพ้นทุกข์อยู่แค่นั้นเองทุกที่คนที่เห็นเนี่ยตายอย่างคนตายอย่างก็แสดงทำสแสดงทำเรื่องไม่นั่นแล้วใจไม่ทํางานแล้วร่างกายไม่ทํางานปากไม่ทํางานหยุดเลยหยุดไปทีนี้กับเมื่อกล่าวคนตายไม่มีทุกข์เลย ไม่มีทุกข์เลยคนเป็นเลยนะยังคิดยังนั่นยังพูดยังทําอยู่อย่างเนี้ยคนเป็นกับคนคนเป็นที่โง่ก็ทุกข์ต่อไปเนไหมถ้าคนเป็นฉลาดก็ไม่ทุกข์เห็นโอ้เนี่ธรรมะเนี่ยแสดงให้เห็นสิสส่งนี้สิ่งอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปธรรมดาไม่ต้องตาเห็นธรรมเลยนะสิ่งกายสิ่งใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งกายนั้นกรับไปกับสิ่งกายนี้กับสิ่งกายที่สมมุติว่าตัวเราเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเหมือนกัันนนนเเพรรราาาะะมป็ย้ิธถต เป็นธรรมทายาททุกคนคนคนที่งโง่ก็ไปกิเลสทายาททีนะ่มีความมีความโลภ ค, ความโกรธความหลงเป็นผู้ทําแล้วก็รับรับทุกทต่อไปแต่ผู้ที่มีสติปัญญาก็มีทำ ม, มีทายาทความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความไม่ไปทุกเป็นทายาทต่อไปแก่ไม่ทุกเจ็บไม่ทุกตายไม่ทุกนี่เป็นทายาทของพระเจ้าเป็นทายาทของพระธรมะธธรม เป็นยญาติของพระอาหารไปเท่นี้คนที่ไม่มีสติปัญญาก็แก่ทุกเก็บทุกตายทุกเป็นสาญาติของทุกเป็นสยญาติของกิเลสต่อไปธรรมะสายญาติน่ะทุกคนเป็นธรรมะยญาติแต่คนโง่เป็นเป็นญาติของอาธรรมเป็นธรรมยญาติของฝ่ายโง่ไฟบาปไฟทุกข์ไปเท่นั้คนไม่มีสติปัญญาเป็นสญาติของไฟความไม่ลบไม่กดประโยชน์เป็นสยญาติของความพ้นทุกข์ไปนี่ทุกคนเป็นสายญาติหมดได้รับมรดกหมดมดทุกคน จะโง่ก็ได้รับความโง่ไปฉลาดก็จะรับความฉลาดไปคนโง่ก็จะรับความทุกข์เป็นทายาทไปความชคนมีสติปัญญาก็ได้รับความคนทุกข์ความไม่ทุกข์เป็นทายาทต่อไปนี่ยทุกคนเป็นทาติทธรรมะญาติเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดนี่คนโง่ก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเกิดทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ต่อไปคนฉลาดเกิดไม่ทุกข์แก่ไม่ทุกข์เก็บไม่ทุกข์ต่อไปตายไม่ทุกข์ต่อไปนี่ยตัวฉลาดตัวสติปัญญาเนี่ยต้องฝึกไปทีนี้เคำว่าาพพพรรระะบุุต้นทก บกฆลาค้นทุกเป็นผนานนะคับพูดตามภาษาสมมติถ้าพูดตามปณมัติก็ปัญญาเจตสิกเจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดกับจิตกับใจเลยตัวใจเนี่ยมันเป็นความร้อนแต่แสงสว่างมันเกิดมาจากความร้อนใช่ไหมอัน น, นี้เหมือนจะเกิดมาจากธาตุรู้ตัวปัญญาเนี่ยแหละเป็นผู้ค้นทุกเป็นผู้สําเร็จมากผลนิพพานเป็นสิ่งเป็นสิ่งต้นสิ่งสําเร็จมากผลนิพพานเป็นธาตุรู้สําเร็จมากผลนิพพา น, นพูดตามปณมัติก็ธาตุรู้สําเร็จมากผลนิพพาน พูดธาตุรู้บริสุทธิ์สำเร็จมรรคผลที่ผ่านพ้นทุกธาตุรู้พ้นทุกนั่นแหละที่จะพูดตามปรัชญาพระบุคลาพ้นทุกพระสารีบุตพ้นทุกพระอานนท์พ้นทุกพระพุทธเจ้าสีสถาพ้นทุกอย่างพระอาจารย์สุรินพ้นทุกหลวงพ่อคำเขียนพ้นทุกพูดตามสมมุติงจริงกันปัญญาเจตสิกปัญญาสติปัญญาที่บริสุทธิ์ลดพ้นจากทุกแค่นั้นเลยพูดอย่างนี้ไม่มีสัตว์มงคลตัวตนเราเขาเจียวบนอยู่ในนั้นเลยนี่พยายามลาสักการณ์ที่ให้ได้ลาดตัวนี้ก่อนตวิจิกิจะ ความนั่งเลยสงสัยไม่ต้องสงสัยแล้วโยมไปต้องสงสัยทํงานโยมเอามือเค็งพื้นเนี่ยเค็งแรงๆก็เจ็บแรงลๆเค็เบาๆก็เจ็บเบาๆไม่ไม่ไม่เค็งเลยลูบๆมันก็ไม่เจ็บเข้าใจมไหะไม่เค็มันก็ไม่เจ็บเลยไม่ลูบมันก็ไม่รู้เลยทำไมอันนั้นไม่ต้องสงสัยทําอย่างไรได้อย่างนั้นเค็งแรงๆก็เจ็บแรงๆเค็งเบาๆก็เจ็บเบาๆเค็งลูบๆขำๆมันก็ได้ลูบๆขำๆแค่นั้ไม่เค็ก็ไม่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด ความรู้สึกเบาๆอะไรความรู้สึกซุกๆุก็ไม่มีเลยว่างไปเลยว่างไปเลยนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องสงสัยถามใครนะถามใจตัวเองมันจะตอบตัวเองมันมีปัญหานี้มีปัญหาแต่มันก็ตอบตัวเองไดเออมีความสงสัยมันก็ตอบตัวเองนะสงสัยก็คือโง่คือทุกข์นั่นเองถ้าไม่สงสัยก็ไม่โง่ไม่ทุกข์นั่นเองเข้าใจไหมผลมันออกมาอย่างไม่ต้องสงสัยมันเป็นเช่นนั้นเองเรารู้อย่างนี้ก็รู้ธรรมารู้ธรรมะแล้วก็หลุดพ้นธรรมะปล่อยวางธรรมะด้วยไม่ใช่ติดธรรมะอยู่นะถ้าว่า ข้าพเจ้ากับผมสําเร็จมากกว่านี้ผานอันนี้เขาบอกยังไม่สําเร็จยังติดตัวตนติดอีโกติดตัวตนย่างนี้ก็พูดว่าอาการไม่มีกิเลสไม่มีสัหารนี prochen. ่จิตใจไม่เป็นทุกข์เลยอย่างนี้ก็เรียกว่าพูดทุกภาษาปรมัดใช่ไหพูดถูกทำไปเลยแล้วก็พอเชื่อได้เชื่อได้เหมือนกัเป็นการที่พูดเชื่อได้บอกว่าอาการไม่ได้ผู้รอดตัวกูอาการพ้นทุกนี่จิตใจไม่ทุกน้อ แต่สบายดีอย่างนี้บอกกูข้าพเจ้าสําเร็จนับผลนิพพานสบายจจริงโวイเนี่ยอย่างนี้ก็พูดตามสมมติอยู่เนี่ยยังติดสมมติอยู่เลยนะเนี่ยจริงบ้างไม่จริงม้างก็ได้เข้าใจไหมเนี่ยได้ยินอะไรจะจะเพิ่งจะปจะเสร็ จ, จะเพิ่งยอมรับจะเพิ่งเชื่อจะเพิ่งไม่เชื่อแฉะนั้นเองเนยรุดไปเลยให้จิตให้จิตรุดพ้นจากความเชื่อกับความไม่เชื่อไปเลยรุดพ้นไปเลยรุดพ้นจากผิดลุดพ้นจากถูกรุดพ้นจากทุกข์รุดพ้นจาก สุขไปเลยไม่ต้องติดอะไรเนี่ยฟังแบบปาฏิพานลุงพ่อเขมเทียนลุงพ่อเทียนก็บอกกินกับปาฏิพาน์กินกับใจปกตินีไปไหนก็ไปกับปาฏิพานธ์เขาพูดอย่างนี้ไปกับปกตินนท่านเองพวกเราก็มากันเมื่อปรับปฏิปธธรรมแล้วก็ให้เข้าใจเข้าใจแล้วก็ใช้ความเพียนของอ่านลุงพ่อของเพียนอาจารย์ยุกิสันเทศบอกว่าให้กลับมาดูตัวรู้อาการที่มันเกิดกับใจบ่อยๆแล้วมันจะแก้ไข แก้ไขปัญหาแก้ไขทุกได้ให้กลับมาดูไว้ๆให้กลับมาดูมารู้มาเห็นไว้ๆอาการดูอาการรู้อาการเห็นก็ไม่ใช่สัตว์ปุกลตนแล้วก็เป็นอาการของธรรมะธาตุรูเป็นอาการของธรรมะธาตุธาตุรูมันกำลังกำลังทํางานอยู่มันกําลังทํางานกําลังแสดงการอยู่ทีนี้ถ้ากายวาจาใจมันทํางานมันคิดมันพูดมันทําแล้วมันไม่ทุกนั่นแหละก็เรียกว่าอริยมรรคอริยกรรมก็เลยเป็นกรรมเป็นการกระทําที่ไม่ทุกเที่ยบน เป็นการการะทำก็ เ, กเดินตามมาร์กมเดียมาร์ปั๊บก็ขนกระ ต, ต่างมาทันทีกินข้าวปับ๊บคํานึงก็อิ่มไปคำหนึ่งหายิวไปคำหนึ่งถ้ากินร้อยคาก็หายิ้วหมดเลยแล้วแต่ถ้าคนกินจุกกินมากกินน้อยก็แล้วแต่ผมก็หายิ้วไปก็หมดเรื่องไปแค่ไไนั้นเองก็รู้เองเห็นเองนะอันนี้ตัวเอาเอาตัวเองเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษยนะ์ตัวเองทั้งหมดเลยเป็นยูทิวเนี่ทั้หมดให้เรียบร้อยเนี่ยฟังเขามาแล้วก็จําจําเอามาทํา จำอย่าจำเอาไปคิดอย่าําเอาไปพูดอย่าจำเอาไปทําทํำกายทำปัญจาทำใจเนี่ยทําด้วยการไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีความอยากไม่มีความยึดเข้าไปแทรกแซงนั่นเองขอให้ญาติโยมทั้งหลายนักปฏิบัติกษ์ทยกําลังเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามสติปัญญาวันนี้ก็ข อ, ขอให้มีสติปัญญาเห็นธรรมแล้วก็ให้พ้นทุกข์จากกิเลสพ้นทุกข์จากปัญหาพ้นทุกข์จากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านตื่น